บห้าสิบเจ็ดซดมินเพเซตพบหมอริสตรนิคูดิฉันมีนัดกับคุณหมอนรชซมพริสตรน iku ดิฉันมีนัดตอนสิบนาฬิกา นารชันสมอบเดซติคุณชื่ออะไรคะคาโความเยอิเมะรุณานั่งรอในห้องโปรซิมอุเซดิตเซวชคาลนิโซคุณหมอกาลังเดินทางมาสตราวิคปรดตะคย คุณมีประกันกับบริษัทไหนคิสเต้ซาวาโรวานีดิฉันจะช่วยอะไรคุณได้ไหมคายลักโกสตอรีมซาวาสคุณมีอาการปวดไหมคะวาสคายโบลีเจ็บตรงไหนคะคิ้ววาสโบลิ ดิฉันปวดหลังเป็นประจำสไต ล, ล์เมเบลีเอร์เบดิฉันปวดหัวบ่อยพปโกสโต m มเบลีกลาวาดิฉันปวดท้องเป็นบางครั้งชาร์ซิเมเบลีเทรบุกถอดเสื้อออกค่ะ ครัวซี s l e c i ื e s ซ do pasu. นอนบนเตียงตรวจค่ะอุเลจิตส์เปโรซีมนาเล a l ลนิความดันโลหิตปกติคนลยรดูดิฉันจะฉีดยาให้คุณดวบมอิซ ดิฉันจะให้ยาคุณดดววัมบูมแท บ, บเลเทิตเดิฉันจะเขียนใบสั่งยาให้คุณไปซื้อที่ร้านขายยาดดววัมบูมรเซปต์โซเลคาร์โน